ควมพ้นไปจากควมเป็นทาสของค่วมลงผิดจึงเป็นอิสระถ้าหากว่าควมลงผิดยังครอบงำอยู่โบมินอิสระเนะมื่อเน่ก็เป็นการเปิดอบรมที่ได้บอกไว้ว่าเราต้องเดินเส้นทางไม่ลงดูแต่ทางเก้ากรดีแล้วที่เราถลึเดินมาทางไม่เป็นหลักวิชาการสั้นๆทางสั้นๆและก็ทางที่เรียบเตียนดี ทางเก้านั่นคือทางโค้งยาวไกลบางทีอาจจะไม่เรียบร้อยใคได้ทางอาจจะขูกข่ะเพราะว่าเป็นเรียนลอกแบบมาจากในประเทศอินเดียคนไทยจะแปลภาษาอินเดียจากท้องตัวขนาดไหนก็ยังไม่ถูกเพราะว่าสำนวนเสียงจะเป็นอักษรต่ำอักษรสูงอักษรกลางเาพอบ้เข้าใแเละตัวหนังสือจะเที่ยงกันไปรถดทันที แม้สมมติหลวงพ่อเองคนเดียวพูดจีนี่ก็เช่นเดียวกันญาติโยมจะตีความหมายคํำพูดของหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดอย่างนั้นเป็นเสียงหน่งอาจจะเพลี้ยนไปจากคําพูดหลวงพ่อก็ได้เพราะหลวงพ่อพูดทุกคมจริงใจที่ว่าวางแผนไว้เรื่องวิธีการเหล่านี้หลวงพ่อก็เสื่อมมั่นในตัวหลวงพ่อเองอย่างทีเพ่นกันทองเสื่อมมั่นในการกระทําของท่านเอง